แล้วก็เสื่อมยศก็อาศัยอะไรก็อาศัยขันท่านั่นแหละก็มียศมีเสื่อมยศเดี๋ยวก็มีพวกมากเดี๋ยวก็เงียบเดี๋ยวก็ไม่มีใครมาสนใจแล้วอีกพักหนึ่งคนก็แหนแแหนเต็มไปหมดเลยอีกพักหนึ่งก็เทวดียวกะเทียมรีดอีกแล้วนะก็เป็นอย่างนี้แหละขัน 5. ท่าทันท่าฐาทั้งหลายท่านถือเสมอกันตาบอดกับ ต, ตาเป็นเนี่ยเท่ากัน หูเหลว ก, กับหูดีนี่มีค่าเท่ากันจมูกมีจมูกกับดับจมูกนี้มีค่าเท่ากันมีตายกับตายตายนี่ก็มีค่าเท่ากันในความรู้สึกของท่านพระโลกธรรมทั้งหลายเนี่ยท่านครอบงำได้หมดแล้วท่านมีจิตไม่ถูกโลกธรรมครอบงำแล้วเนี่ยท่านก็เป็นอย่างนั้นอันนี้จากอะไรเนี่ยทําไมไปเรืยได้ยาวขนาดนั้นก็คือกําลังอธิบายเรื่องว่าอะไรแสงสว่างแห่งพระธรรมของพระองค์นี่ได้สว่างไปใน โลกทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนั้นว่าแสงสว่างแห่งธรรมของพระองค์นี้ทําให้ส่องเห็นอะไรอีกเยอะๆไปหมดเลยพะ้ะธรรมที่เกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยนะส่วนบุพนิมิตข้อต่อไปคือศัตรูทั้งหลายกลับได้เนตตาจิตนะในตอนนั้นนะเช่นว่าพังพรก็เป็นมิตรกับมูเห่านะอะไรอีกอะไรกี ก, กากับนกฮูก ก, ก็เป็นมิตรกันเนี่ยนะแล้อะไร ะนะคู่เวนกันเลยนะประเภทคู่เวนนะนะครุตกงูครุตกั บ, กบนาคเป็นคู่เวนกันก็กลับมีเมตตาจิตต่อกันฉันใดตอนที่พื่อนประสูตธก็ฉันนั้นอันนี้เป็นบทพาณิมิ์แทงพรหมมิหารสีพรหมมิหารสีผู้ที่มีพรหมมิหารสีเนี่ยจากศัตรูกลายเป็นนิตรันดิไปหมดเลยจากคนที่เคยคิดจะฆ่าก็กลับเป็นกรุณาคนที่เป็นที่ตั้งแห่งความริษยาก็กลับยินดีคนที่ติดข้องอะไรามากก็กลับพิจารณาโดย อุเบกขาเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตาน้อมนําประโยชน์ไปให้คนอื่นการมุ่งบําบัดทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเป็นกรุณาการยินดีกับคนอื่นมีความสุขก็เป็นโมทิตาเนาี่ยนีส่วนการพิจารณาโดยที่ไม่ให้เกิดฉันทราค่อันนั้นก็เป็นอุเบกขาอุเบกขาข้อที่ไฟอเวจีนรกดับลงเป็นบุพนิมิตแห่งการดับไฟส1บดกองได้ไฟสิดกองก็คือไฟคือกิเลสสามกองก่อน คืออะไรราคาโทสะและโมหะแล้วก็ไฟคือชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสและอุปาญาติความที่พระองค์ดับไฟทั้งสิบอดกองเหล่านี้พัตนตอนที่พระองค์ประสูตนินี้นิมิตแห่งไฟในรกนี้ดับลงนี่ก็เหมือนกันไฟคือชาติชราโมรณะเป็นต้นก็ดับลงเพราะพระองค์นี้ดับไฟให้พระองค์เองดับไฟทั้งสิบอดกองให้พ ร, ะ, พระองค์เองแล้วก็ยังช่วยดับไฟให้แก่ผู้อื่นด้วยเนี่ยนะ ดูว่าฝฟของเราเพลงจะดับสําเร็จหรือไม่เนาะเราเราหวังยกให้พระองให้เพลงดับให้เราใะไม่รู้ว่าจะเอายังไงก็เอาทั้งสองอย่างก็บอกว่าเราจกเชื่อวิธีการดับที่เพองสอนเอาไว้เนี่ยนะแล้วเราก็จะภาคเพียรพยายามด้วยกาลังของเราเองว่าเราจะดับสําเร็จไหมเนาะมองเห็นอะไรก็ง่าไปหมดเลยไหมมองเห็นอะไรก็หน้ารังเกียจไปหมดไหมที่เจรณาอะไรก็เห็นเหตุเกิดความดับเป็นต้นไหมเป็นต้นอย่างนี ข้อที่โลกรักจันรกมีแสงสว่างเป็นบุพนิมิตแห่งการกําจัดความมืดคืออวิชชาและทรงเห็นแสงสว่างได้ด้วยพยานสถานที่ตรงนี้ถ้าลองคืนเดือนมืดดูที่อะไรจะเกิดขึ้นก็นมืดมองอะไรไม่เห็นเลยใช่ไหมจะตกตกบ่อเนี่ยเป็นไปได้ไหมเดินชนต้นไม้เป็นไปได้ไหมได้ฉันใดถ้ามืดพอดวงอาทิตย์ขึ้นมาส่องสว่างกระจ่างก็ทําให้มองเห็นหมดทัศนวิสัยเป็นกิโลกิโลก็มองเห็น พระ อ, องค์เกิดขึ้นมาในโลกก็เหมือนกันจากอาวิชชาที่ปกปิดอะไรปกปิดกรรมและผลของกรรมปกปิดปกปิดบุญบาปปกปิดดีเชื่อปกปิดอริยสัจเป็ต้นเน่ยนะพระ อ, องค์ก็อุบัติขึ้นในโลกก็ส่องสว่างให้เห็นแสงสว่างทั้งอดีตแสงสว่างทั้งอนาคตแสงสว่างทั้งที่ทําที่เกิดโดยปัจจัยแล้วก็ส่องให้เห็นอริยสัจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราเห็นวิหารเจดีนึกถึงอะไรได้บ้างพอที่เรียก็เอาวิชามันลดลงแล้ว อวิชาลดลงแล้วอะไรเห็นแล้วเราบ้างเอาเนี่ยอวิชามันลดอะไบ้างหรือยังเนี่ยเห็นกันเองเนี่ยอวิชามันลดลงอะไรบ้างหรือยังเห็นกันเองเนี่ยเหลียวซ้ายเหลียวขวาดูบนดูล่างเง้นเง้ยเทื่อวเ่วไปเนี่ยนะเนียมาเห็นแขกเนี่ยอวิชารายมันลดลงบ้างแล้วถ้าบอกเอ้ไม่แขกโอ้ยใครก็เห็นอย่างนี้กันทางนั้นเลยเออถ้าจะมีวิชาเนี่ยมันลดอะไรลงบ้างเอานไถ้าอยากสมมตินายยกตัวอย่างเนี่ยเห็นพระพิโตรูปนี้เนี่ยนะ มองเห็นตาแค่มีวิชาก็มองเห็นศีและสีขาอยู่ในนั้นเลยมองเห็นจิตตสิกขามองเห็นปัญญาสิกขามองเห็นอริยสัจอยู่ตรงนั้นเลยก็ชาติชรามรณะเดินได้นี่เองใช่ไหมโอ้นี่ชาติชรามระโสกาภฤเทวาทุกขโทมานัตอุปายาตเป็นไปได้แล้วถ้าหมั่นพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเลือกเฟ้นจนกว่าจะเห็นอริยสัจนั่นเป็นวิชาถ้าไม่เห็นอริยสัจนั่นแหละเป็นอวิชานี่แนะ พลืมตาขึ้นปั๊บเห็นปฏิจจสมุปบาทเลยใช่ไหมนะลืมตาปั๊บเนี่ยโลกาห น, นี้โลทัศน์มาเลยใช่ไพี่เลือดเลือดพึ่งเลกบางครั้งก็เอ อ, เ อ, อ ม, มะนะีแต่ธรรมะนะแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยนะคืออาสัมโมหะลืมตาปั๊บเนี่ยเห็นปฏิจจสมุปบาทเลยนะเครียกว่าอันนี้ต้องจนเป็นความเข้าใจของเราจริงๆเลยนะทุกครั้งที่ลืมตาคือการสร้างวัตฏะเนี่ยนะไอไอสัญญามรัสิกานันนี้ต้องไม่มีคําว่าเลื้อเลือนเลยเนะี่ย เปนแม่นขนาดนั้นเลยนะได้ยินเสียงนกการ้องก็ได้ยินเสียงแห่งวัด ต, ตะเลยนะว่าเราพอได้ยินการสร้างวัด ต, ตะเป็นตลุดทาไงเอกสมุทยาสัจจะเนี่ยเป็นไปในทวานหกจนเป็นเรื่องธรรมดาจนไม่มีการหลงลืมอีกต่อไปว่าทุกครั้งที่เห็นคือการเห็นสร้างวัดตรตะนะกระบวนการสร้างวัด ต, ตะเป็นไปยังไงโดยที่ไม่หลงลืมเลยอันนี้จึงจะเป็น พอมีวิชาบ้างแต่ถ้าเห็นตาก้งองงงเขาเห็นอยู่เท่าเดิมเห็นต้นไม้เออก็ต้นไม้อันมีอะไรเห็นต้นมาตูมก็เออก็อมาตูมมาเห็นเต้นโพกเออก็เต้นโพสิจะอะไรก็ต้นโพสิถ้าอย่างนี้ก็พระพุทธเจ้าน่าสงสารด้วยเราน่าสงสาร น่าสงสารทั้งสองเลยพระพุทธเจ้าก็น่าสงสารนะบัมเพนบาลมีมาจะสอนเขอสอนไม่ได้นะทั้งนั้นเหนื่ยพระตายมาเนี่ยไม่ใช่เนื่อยพรตายเหนื่อยตายไม่รู้กี่ชาติมาลแล้วแล้วของเราเองก็ขวนขวายเอาเต็มที่เลยนะละก็ยังมองไม่เห็นปิติใจอีกก็แหมมันน่าสงสารกันทั้งสองฝ่ายเลยนะก็อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยนะเขาบอกว่าให้คนอื่นกฤนสยาดีกว่าให้คนอื่นกรุณาจะ <c oughs> เราเนี่ยนะปรารถนาให้คนอื่นกินสยาหรือปรารถนาให้คนอื่นกรุณา ให้ที่สยามดีกว่าใช่ไหมดีถ้าให้คนอื่นก ร, รุณาเนี่ยก็เหมือนขอทานเนี่ยคอยขอเสือนบุญก็ไม่น่าสนใจกเท่าไรแล้วก็ยังไงสรุปว่าแสงสว่างแห่งพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยให้เรามองเห็นอะไรอย่างน้อยที่สุดก็เห็นเลยใสายจากขู่กระรูปเกิดจากขูวิญญาณธรรมาสามอย่างประชุมกันเป็นัทะเป็นต้นเนี่ยให้มองอย่างนี้เป็นเรื่องอัธยาศัยของเราจริงๆว่าเรื่องตาเมื่อเราก็เห็นอย่างได้ยิ่งเสียงกาเราก็ได้ยินอย่างนี้ด้วย อ่านฮะใจเข้ารู้กุิ่นก็อย่างนี้ด้วยรู้รส ก, ก็อย่างนี้ด้วยรับกระทบโทสะภาคเปรียเมื่อก็อย่างนี้ไปด้วยคิดแต่ทุกเรื่องทุกเรื่องก็ให้เห็นอย่างนี้ไปด้วยเนี่นะมั้นก็ตอนนี้ก็พักสักนิดหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวพักสักน่ยไปเปลี่ยนนิรยาบทกันบ้างนะเดี๋ยวจะป่วยจะไข้เดี๋ยวมาดูข้อต่อไปเลยนะว่าข้อที่น้ําของมหาสมุทรมีรสหวานปกติน้ํำทะเลนี่รสเค็มใช่ไหมอ่าตอนที่พระองค์ประสูตในี้น้ํำทะเลนี่มีรสหวาน อันนี้เป็นบุพนิมิตแห่งพระธรรมมีรสอย่างเดียวคือมีมุติรสเนี่ยนะผู้ที่แต่สรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุก์เนี่ยเขาก็ได้ดื่มอมาตะดื่มน้ำเป็นที่หลุดพ้นนะพราะน้ำอำมาตะเนี่ยน้ำเป็นที่ทําให้บุคคลทั้งหลายเนี่ยทาที่สุดแห่งทุกเป็นอมาตะโอสดอย่างแท้จริงส่วนความที่ไม่เกิดวาตภัยนะ วาตาภัยคือไม่มีลมมานะลมที่มานน่ากลัวเนี่ยเพราะตอนนั้นเนี่ยลมเนี่ยสงบประงับทั้งหมดอันนี้เป็นบุตรบุพนิมิตแห่งการที่พุทธบริษัทไม่แตกแยกกันด้วยทิฏฐิหกสิบสองพุทธบริษัทในที่นี้เน้นใครรู้ไหมเน้นพระอริยะสาวกพระอริยะสาวกท่านจะไม่มีการแตกกันด้วยอนาจทิฏฐิหกสิบสองเลยนะพระอริยะสาวกท่านไม่เป็นอย่างนั้นไม่แตกด้วยอะไระทิฏฐิในอดีตทิฏฐิในเรื่องของอนาคตเป็นต้น ท่พุทธบริษัทเนี่ยที่เป็นภาระยะทั้งหลายจะไม่แตกแยกกันในอำนาจของทิฏฐิหกสิบสองอะไรเลยแต่ถ้าเมื่อใดแตกแย ก, ย 62, กเรื่องหน้าทิฏฐิหกสิบสองก็แสดงว่าไม่ใช่พุทธบริษัทแล้วไม่ใช่สัมสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะออกจากศาสนานานแล้วแต่ว่าอยู่ในเครื่องดอ บ, บอยู่เนี่ยนะเรียกว่าถูกปลอบนนานแล้วนะแต่ตัวเองไม่รู้ตัวก็เลยเรียกว่ายังเป็นคนในอยู่นั่นเองส่วนข้อที่นกทั้งหลายยังตกลงบนแผ่นดินนกเนี่ย ตกลงอย่างแผ่นดินเนี่ยเป็นบุพนิมิตแห่งการที่มหาชนเนี่ยฟังคําสอนถึงสารณะด้วยชีวิตผู้ที่ฟังธรรมเข้าใจพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะกล่าวว่าผู้ทางสารนางข้าสามิใช่ไหมถือว่าเป็นการมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อที่พระจัน์งามยิ่งนักกันนะตอนนั้นก็พระจันร์งามยิ่งนักเนี่ยเป็นบุพนิมิตที่มหาชนมหาชนเนี่ยสนใจในพระธรรม ชนหมู่มากเข้าสนใจในพระธรรมคือพระจันทร์เนี่ยนะถ้าดูใครก็สนใจที่จะดูใช่ไหมพระธรรมคําสอนของพระองค์ก็ดืดพระจันทร์เนี่ยวันเวลาผู้ที่มีการแสดงธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะมีบุคคลที่เงียบสงฟังโดยเฉพาะสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาติดตามเพื่อจะฟังธรรมกันส่วนข้อที่พระอาทิตย์ไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นให้ความสะดวกตามฤดูเป็นบุพนิมิต แห่งที่มหาชนจะได้ความสุขทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยนะมหาชนได้รับความสุขทางกายและจิตใจก็เป็นจริงนะทั้งอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นสมัยที่ก่อนหน้านี้มาเนี่ยพวกเศรษฐีทั้งหลายเป็นผู้รวยรวยซักอย่างเดียวกอบโกยมาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้พอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเศรษฐีเหล่านั้นโกยเหมือนกันโกยออกเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเป็นสมัยที่เศรษฐกษิจก็นับว่าเฟื่องฟูมากเลยเนะี่ย เพราะว่าเศรษฐีทั้งหลายเขาใช้สตังกันเขาใช้สตังมาทําบุญมาก่อสร้างพวกทรัพย์ทั้งหลายมันก็กระจายออกไปใช่ไหมอย่างอย่างตอนนี้เนี่ยที่ที่ยวว่าทางรัฐบาลเขาค่อนข้างลําบากใจคือไม่มีใครกล้าลงทุนทําอะไรเ ม, มื่อไม่มีใครกล้าลงทุนเงินมันก็ฝืดใช่ไหมถ้าเป็นสมัยพุทธกาลแล้วเนี่ยเงินมันสะพัดมากข้าวของเครื่องใช้มันสะพัดประชาชนก็เลยโดยรวมรวมแล้วเศรษฐกิจกดีขึ้นอยงนั้ น, น่หมู่ประชาชนก็อยู่กันอย่างผาสุกเพราะฉะนั้น หมู่มหาชนเนี่ยสุขทั้งกายและก็สุขทั้งใจการประกอบอาชีพเป็นต้นก็เป็นไปได้โดยสะดวกเพราะว่าทุกคนก็อยู่ในหลักของสังขาว a ตุพระราชาก็สงเคราะห์ประชาชนโดยรรมข้อที่เทวดาทั้งหลายเล่นกีฬามีการปรบมือเป็นต้นที่ประตูวิมานเป็นบุพพณิมิต แห่งการที่พระโพธิสัตว์เนี่ยบรรลุถึงความเป็นพระพุทธเจ้าและเป็นอุทานะนะการตบมือของเทวดาก็เป็นบุพนิมิตแห่งอุทานว่าอนเนกชาติสังสารังเนต้นข้อที่มหาเมฆทั่วทั้งสีทิศยังฝนให้ตกะนะเป็นบุพนิมิตแห่งการที่สายน้ําคือพระธรรมเป็นอันมากตกลงมาฝนตกก็คืออมะตะธรรมเนี่ย ตกลงมาเสียงแห่งพระธรรมเทศนาก็ตกลงมาใส่ราดรสจิตของมหาชนทั้งหลายชาติเป็นอนเออนเอกอเนกกชาเนี่ยนะก็คือการเกิดเป็นอันมากวั้นนะส่วนคำว่าข้อที่มนุษย์ทั้งหลายไม่ถูกความหิวเบียดเบียนไม่หิวเลยอันนี้เป็นบุพนิมิตการได้เฉพาะอมตะธรรมคือกายคตาสติถ้าเจริญกายคตาสติเนี่ยนะ อยู่ในอสุภะกรรมฐานอย่างแท้จริงนั้นมูสัตว์จะไม่รู้สึกว่าหิวในเนื้อหนังมังสาอะไรเลยถ้าถ้าเจริญกายยัคตาสติเพราะฉกายยัคตาสตินั้นชื่อชื่อว่าเป็นอมตะธรรมเนี่ยนะเป็นอมตะธรรมเพทันความความตันหาที่มันหิวในเนื้อหนังมังสาพวกนี้ทั้งหลายก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับความหิวความกระหายใช่ไหมอันถ้าเจริญในกายยัคตาสติก็ไม่หิวใน ในสิ่งเหล่านี้เพราะการเจริญกายยักตาสตินี่ทําให้ดับกระหายในสิ่งเหล่านี้ได้ข้อที่มนุษย์ทั้งหลายไม่ถูกความกระหายเบียดเบียนเป็นบุคพนิมิตแห่งการที่พุทธบริษัทถึงความสุขด้วยดูมุติสุขไม่มีกระหายเลยถ้าดื่มรถแห่งอมะตะทันมดื่มรถแห่งธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเขาก็จะเ อ, อิบอิ่มปราดเปรื่มปราโมดเนี่ย ข้อที่ประตูหน้าต่างทั้งหลายเปิดได้เองเป็นบุพนิมิตแห่งการเปิดประตูอริยมรัคอันประกอบไปด้วยองแปดนะนประตูคืออริยมรักไม่ได้ถูกปิดกั้นเลยแล้ก็มีผู้ที่เปิดประตูแห่งอมตะธรรมคืออารยมรักมีองแปดได้ปรัสรู้หาประมาณไม่ได้ข้อที่ต้นไม้ทั้งหลายผลิต ด, ดอกออกผลเป็นบุพนิมิต แห่งพระธรรมคือดอกคือวิมุตต์และก็หนาแ น, น่นด้วยสามัญญผลดอกคือวิมุตต์ทั้งหลายความหลุดพ้นทั้งหลายแล้วก็สามัญญผลก็คืออะไรโสดาปฏิผลสากาธาคารมิผลอนาคามิผลและอรหัตตพนเป็นต้นข้อที่หมือนโลกธาตุมีธงเป็นระเบียบอย่างเดียวกัน อะโลกธาตเนี่ยประดับทงเต็มไปหมดเลยอย่างเนี่ยข้างหลังเราเนี่ยทงเนี่ยท ง, ยทงฉับพันนรังสีก็มีผู้มาพูดนะ เ, เพื่อเป็นพุทธบูชาโดยประการทั้งปวงถ้าดูห่างๆ ก, ก็เป็นฉับพันนรังสีแต่เขาก็มีพิมพ์อะไรของเขาเต็มไปหมดอาจจะพิมพ์พระธรรมก็ได้อ่านก็ไม่ออกอะ แ, แต่รู้ว่าสามัญญะผลเนี่ยทงคือสามัญจ ะ, ะเข้าไปทงเป็นอย่างเดียวกันทงคืออะไร โลกธาตุมีทองเต็มไปหมดคือบริษัทมีทงของพระอริยเจ้าเป็นบทพวงมาลัยทงของพระอริยเจ้าคืออะไรคือโลกุตรธรรมโชว์ไปที่โลกุตรธรรมโลกุตรธรรมก็สว่างสวัยฉันั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นบุคพณนิมิตที่เกิดขึ้นตอนที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายของเราประสูติเนี่ยนะประสูติเพราะว่าพราะองค์นี้ผู้ที่จะ เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่โลกนะั่นะนะจะมีนิมิตมีเครื่องหมายคือมันมีลางนะพูดถึงไอ้นิมิตเครื่องหมายเขาเรียกว่าลางนะลางบอกเหตุแต่เป็นลางบอกเหตุที่ที่ดนะีที่ทำให้มหาชนทั้งหลายรู้ว่า นั่นเป็นปัจจัยแห่งความสุขนะสรุปว่าบุพนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์เป็นบุพนิมิตแห่งประโยชน์สุขแก่มวลสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งนั้นเลยเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นนิมิต ท, ที่ดีอัเราทั้งหลายก็ได้มาถึงสถานที่ที่เป็นต้นกําเนิดแห่งนิมิต ท, ที่ดีนิมิต ท, ที่งามแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกทั้งหลายนั้นก็ควรที่เราได้ปรับปริ่มปีติโสมนัตดีใจได้เลยว่าเราได้มาถึงสถานที่ที่ต้นกําเนิดทําให้หมื่นโลกธาตุหวั่นไหวได้เป็น เป็นต้นกําเนิดแห่งแสงที่สว่างทั่วมื่นโลกธาตุจริงเราก็มาได้หลายแห่งเลยนะที่ที่มื่นโลกธาตุเนี่ยสว่างสวัยเนี่ยนะที่ไหนบ้างยกตัวอย่างเช่นพุทธคยาก่อนเนี่ยที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มืนโลกธาตุก็สว่างสวที่ไหนอีกที่ประกาศ ธรรมจักรเนี่ยนะที่ประกาศธรรมจักรก็เหมือนโลกธาตุสว่างสวยที่ปรินิพานเนี่ยนะเอาที่หลักๆ ก, ก่อนนะที่ปรินิพานเหมือนโลกธาตุก็สว่างสวัยนี้ก็มาถึงที่พระองค์ประสูโซก็ที่เป็นที่เหมือนโลกธาตุวันไหวแสงสว่างก็หาประมาณไม่ได้นี่นะอันั้นเราก็ชื่อได้ว่ามา มาถึงที่ที่ต้นต้นกําเนิดของพลังงานที่เป็นกุศเลเนี่ยนะต้นกําเนิดแห่งคุณงามความดีต้นกําเนิดที่เรียกว่าต้นบุญต้นกุศลเนี่ยได้เริ่มต้นณจุดนี้ก็ขยายกระจายออกไปแม้กระทั่งเราอยู่ห่างไกลาจากนี้เป็นร้อยโยศห่างจากนี้ไปบ้านเรานี่เป็นร้อยโยศนะขนาดนั้นเราก็ได้รับแสงสว่างเหล่านั้นใช่จากนี้ไปบ้านเรานี่เกือบเกือบกี่พันกิโลประมาณร้อยยศประมาณพันกว่าร้อยพัน ประมาณพันหก้อกิโลนะอย่าไงให้ไปนะบ้านเรานะจะคิดดูว่าเดลีกรุงเทพเนี่ยพันหกพันหกประมาณพันห้าหกรอยกิโลอะแล้วจากตรงนี้ไปเตยบ้านเราเนี่ยจะไ ก, กลกันขนาดนั้นไหมดีไม่ดีจะใกล้กว่าเดลีด้วยซ้ําไปก็เนี่ยสรุปว่ารวมๆมันนะก็ประมาณเนี่ยประมาณร้อยยอดเนี่ยคือวัดแบบเส้นตรงนะวัดแบบเส้นตรงไปเครื่องบินเนี่ยนะถ้วาวัดแบบถนนหนทางก็ อันนี้เรื่องยาวเลยถ้าวัดแบบถนนอินเดียเนี่ยนะถนนแบบอะไรโครง้งไปงอมาเนี่ยนะทีนี้ในบอกว่าสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องน่าอัศจ ร, รย์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าข้อสุดท้ายเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนอนทน์เพราะฉะนั้นแหลเธอจงทรงจำไว้ถึงธรรมะที่ ไม่น่าเป็นไปได้น่าอัศจรรย์ของตถาคตแม้ไว้เถิดเรื่องนี้ว่าเวทนาของตถาคตปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปเวทนาทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่พระองค์รู้สัญญาของตถาคตปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่สัญญาของตถาคตปรากฏขึ้น เกิดขึ yes. ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปวิตกของตถาคตปรากฏเกิดขึ้นปรากฏตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปเนี่ยนะอันนี้มีอธิบายว่าคําว่าปรากฏวิทิตาเนี่ยนะปรากฏหรือแจ่มแจ้งว่าเวทนาเนี่ยแจ่มแจ้งขั้งตอนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสัญญาเนี่ยแจ่มแจ้งตอนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสัญญาวิตก สัญญาเวทนาสัญญาวิตกเนี่ยนะสามอย่างเนี่ยปรากฏคือหมายว่าแจมแจ้งทั้งตอนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอธิบายว่าแท้จริงพระสาวกทั้งหลายไม่สามารถจะพิจารณาหาช่องพิจารณาสังขารที่เป็นอดีตในขณะที่ไม่มีโอกาสได้เช่นเอาเรื่องอดีตมาทําปริญญาในตอนอาบน้ําก็ทํายากสาวกทําไม่ได้ตอนล้างหน้าเนี่ยล้างหน้าเนี่ยพิจารณาดูอยู่อ่ะอันนี้สาวกเขาทาไม่ได้ ดื่ม น, น้ำพิจารณาอดีตได้ไหมคือที่พิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเข้าใจทะลุโปร่ปปปงเนี่ยสาวกทั้งหลายทำไม่ได้จะพิจารณาสังขารทั้งหลายได้ต่อเมื่อมีโอกาสสาวกเนี่ยจะต้องได้ตัดใจในสิ่งจะทาได้ แต่ของพระพุทธเจ้าไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายพิจารณาสังขารทั้งหลายที่เป็นไปภายในเจ็วันตั้งต้นขึ้นยกขึ้นสู่พระไตรักย่อมทรงชี้แจงขึ้นชื่อว่าธรรมะที่ไม่เกี่ยวแจ้งแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีเลยหมายคว่าระยะเวลาเจวันอดีตเจ็วันอานาคตนะเพ่งล้างหน้าอยู่ก็รู้่ะ นะ ไ, ไม่ต้องพูดถึงกิจอื่นนะกิจที่เรียกว่าเร่งรีบทุระร้อนอะไรโดยที่คนส่วนใหญ่จะไม่สนใจอย่างอื่นเลยเพราะพิจารณาได้หมดยังไม่มีอะไรขวางขั้นได้อ น, นันนแหละคือความสามารถของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ากล่าวถึงบางแห่งที่บอกว่าสัญญาปรากฏเกิดขึ้น เ, เวทนาปรากฏเกิดขึ้นก็ปรากฏตั้งอยู่ก็ปรากฏแล้วก็ดับไปก็ปรากฏนี่เป็นยังไงเวทนานี่เขาอ่านจากอะไร อ่านจากอารมณ์เนี่ยนะถ้าถ้าจะดูเวทนาถ้าเจออารมณ์ใดๆเนี่ยนะอารมณ์เหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาใดมานสิอารมณ์เหล่านั้นปรากฏให้รู้จิตรู้นานเท่าไหร่และทําไมจึงเลิกมานสิการอารมณ์นั้นอ น, นะเวทนาก็ตั้งอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ก็สามารถวิเคราะห์เวทนาวิเคราะห์สัญญาสุวิเคราะห์วิตกได้จากการพิจารณาตัว อารมณ์มันมนาสิการตัวอารมณ์ใดๆก็รู้เลยว่านี้เวทนาเป็นอย่างนี้ <pe ant> เกิดขึ้นอย่างนี้ตั้งอยู่อย่างนี้แล้วก็ดับไปอย่างนี้สัญญาเกิดขึ้นอย่างนี้ <spe ant> ตั้งอยู่ดังนี้แล้วก็ดับไปอย่างนี้สังขาวิตกเกิดขึ้นอย่างนี้ตั้งอยู่อย่างนี้ดับไปอย่างนี้ก็วิเคราะห์จากการที่เจรณาอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะอ่านจากอารมณ์นี้ก็รู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นดำรองอยู่แล้วก็แตกดับไปแตกทำลายไปเนี่ยนะฉ่ <spe pat> นพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีปัญญารอบรู้อย่างแท้จริง รอบรู้โดยที่สุดนะดูอารมณ์เช่นดูหญ้าอยู่ดอกหนึ่งดูหญ้าสนามหญ้าเนี่ยจิตกี่ประเภทมาดํารงอยู่ในพวกนี้อขออภัยเวทนากี่ประเภทมีวัตถุเหล่านี้เป็นอารมณ์แล้วเวทนาเหล่านั้นมันจะเกิดได้ยังไงและดํารงอยู่นานแค่ไหนแล้วมันดับไปยังไงเนี่ยนะพระองค์พิจารณาได้หมดเลยทั้งของพระ อ, องค์เองแล้วก็ของสัตว์อื่นว่าเอแปล ว, ว่าความคิดของคนอื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงตั้งอยู่ยังไงแล้วก็ ดับไปยังไงของเรารู้แล้วใช่ไหมว่าความคิดของเราเกิดขึ้นได้ยังไงจากคุทถวานวิถีเกิดได้ยังไงเกิดที่อาวัชนะอาวชนะถวานต่อถ้าตั้งใจพร้อมอาวชนะเกิดขึ้นก็จิตก็ดำรงอยู่โดยจากคุทถวานวิถีใช่ไหมก็เล่นไปอย่างนั้นก็สามารถที่จะวิเคราะห์เเกี่ยวกับเรื่องการนึกการอาวชณะนะใครอาวชนะได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนก็ดูได้จากอะไรรู้ไหมตอนสวดมนต์ อาวชนะถ้ามันเริ่มไม่ต่อเนื่องนะหรือผมก็ตายเรื่องอื่นนะนะใครที่อาวชนะเป็นไปได้ในเรื่องนั้นมันยกจิตขึ้นเสือเริ่มเบาๆเบๆบๆเๆๆๆเป็นไปอย่างต่อเนื่องนี่แหละเรียกว่าผู้มีสมาธิดีแต่ถ้าเดี๋ยวก็สะดุดตะกุกตกักเดี๋ยวก็ไปที่ไหนก็ไม่รู้ฟุ้งไปหลายเรื่องพวกนี้แหละอาวชนะไม่ดีพรานั้งพวกอาวชนะมันตอนเริมเร่มต้นของการเกิดขึ้นแห่งภาษาเนาะตัวอาวัชนะเป็นจุดเริ่มของภาษาภาษาเหล่านั้นเป็นที่ตั้งอยู่แห่ง เวทนาทั้ง เ, เวทนาทั้งหลายก็เกิดเนื่องด้วยอาศัยภาษาภาษาก็เนื่องด้วยสัญญาและมนสิการเนี่ยนะสัญญามนสิการทั้งหลายภาษาก็เกิดขึ้นภาษาก็เป็นปัจจัยแห่งเวทนาถ้าวิเคราะห์ทั้งอารมณ์ทั้งนามธรรมา ท, ทั้งหลายก็จะรู้ความปรากฏความเกิดขึ้นของสัญญาเป็นต้นหรือของเวทนาเป็นต้นทั้งน